ที่แบบอันเนา วสัยทัน์ทันยูยจะตัดควารู้เดองเอ็นปบัติปฏิบัติเจตสุขะนั่งขอปฏิบัติเด็ตัวของทันเอดงื่อเด็ดระดับรักสั่งจากคนอื่นกว่าใจแน่ที่จะตัดควารู้ดูทัลายที่เหลือตกไจหมดไปได้เปลี่ยนใจเอาเห็นขวดใจช้าว่าจะคือจะระดับรักสั่งจากคนอื่นเนะ ยังสามารถที่จะปฏิบัติรักษาใจายใจใจเครงตึงทำลายยดปัญหาความเฉดเต่างในในภาวจิตใหหลุดเลออกไปบ้ามีตารศาไม่มีการ ทำไมได้ทุกคนจะต้งเอาใจใส่ในการระดับรับฟังการตังธรรมนั้นอย่างน้อยก็ทำใยจิตใจของตัวของใส่ทำในตัวของตัวมีการเห็นผูกต้องอลนี้เสียในการตังธรรม ปฏบัติธรรมไหนปฏิบัติอูกรนหนึ่งเนี่ยนาปฏิบัติยิ่งเปียแล้ำบวบก็เปียกจันเป็นต่ยตจต่างหน้าต่างตาปฏิบัติปฏิบัติน้ำบืบไล่โอจากสิ่งต่างๆทงโลกเขายอมอบจังแบบไหน การงานทโลกเขาอย่างไรนักเบียดถูกไปไม่ได้เกี่ยวข้องการงานทงโลกเป็นหนี้สิขอเขาทำไปแต่การงานของนักปฏิบัตินักเบียดนั้นงานสำคัญที่สุดก็คืองาต่างใจและคู่เิตตัางใจปฏิบัต รักษาสังวรกายรายใจใจของตัวอยู่ตลอดระยะเวลามีสติแต่ความรักษาจิตใจเหนื่อยยเย็นจะเดินจะนั่งจะนั่งให้ทร ในอย่างนั้นการปฏิบัติที่จะเป็นไปเถื่อนตามนั้นยากบางวันแต่วันนี้จะหลบหย่อนเย็นดีมีความสุขความสบายจิตใจหนักสบายแสบหยาบแยบไปตามสมญาอารมณ์ขันนอกสงบละเอียดคิดอ่านตีแจงมาอะไรก็เข้าใจทัดเทีย แต่บางวันนะจิตใจในอย่างนั้นมีแต่ความเย่นรอเดีอดร้อนตายแช่แต่กระแสของี้เหลียดปัญหามันเป็นข้อาอะไรมันจะตงใจที่จะเนี่ยแสวงเหียบเทอไหร่นอย่างนั้นมันจะเดินอยู่เรื่อยดีหมดสิ้นนะรับแบบนั้น เกิดขึ้นจากเกิดอะไรเชื่อเกิดขึ้นคนในชาเราเกิดขึ้นนกจากเกิดอะไรในปฏิบัติจะทุกข์สั่งอเรื่อยใจใ่ในสั่งใจใจในเป็นสุกใจในสงบที่ิาใจปฏิบัติตื่เตียวคลตัวในตัดตาที่แกนะคิดหาหอยแก่หา การปฏิบ <Es> <ừ> ัติเป็นเรื่องสำคัญสหรับนักบียน้กเบียดปฏิบัตินบ้านในต่างนานาต่างๆเอาใจใส่ในับปฏิบัติเครื่อตัวระลออนนิทานพ่งานลวเนี่ยหนุ่มก็ร่าอเขา ตาเงด่านหน่อ ม, ม, นาามีแต่ตาหน า, าหตาตาจะภาวนาไร้จิตจะไม่ทำการจิ้มจังอย่างนั้นมันจึงไม่เกิดอะไรให้พองใ้สิบในมือะไราตาเงาสิหยุ่เย้มหยุ่นงาภาวรวมีแต่ตาหนาตางะปฏิบัติข่อวัดสุ่มเป็นขอ้อวัดเปลี่ยนเวียนไปยามน้อ นั่นก <talk ing sau> sure <clears throat> sure ็เลยมีนาทีกี่ชั่วโมงนึ่งตัดน้ำตัดจักรแเยอแยะกต่อผ่านไปเสร็จไปแตางานางนี้นทางแห้งถี่วงเป็นกา่าเลสในตัวนกในี่่าเียเวลา ถ้เราทำข้อวัดส่ม้มันก็เป็นการตั ด, ตดยืดคือเปการเหยองตออกไปนอกจากนั้นถ้ า, า, าเราใช้ตัตนย า, างที่มีพิจารณการตัดกดก็เทาจะเปิดตันยาได้ถายางีการตัดกัดไปแต่วันมีมีนอยหนอีอก นนตัดจริงจัหล่นลงาตกลงมายกจิตใจให้เราเองตามเงินนอนตัดจัดดูแลรักษาเรนี่เศรีปัญญาสดตึมมันจทำนองยวกันกับแงวัดดาห์ไอ้เงินปัญญาอะไรเงินผ่านเลยผวานตาแล้วก็ขอเป็นสื่ใจผ่านมาทางหูแล้ก็ขอเป็สื่ใจ เมื่อจากทลายไปเราเข้าไปสูญใจตรงนี้ใจจึงตกตะกบใจแตกกว่าคือต้องตั้งสติที่จเอาเนื้อเด็ดปันยังปมนนักสิ่งต่างๆทีเหวี่ยาเป็นคิดเป็นใครเราต้องหยุดเราหยุดยันให้ เรื่องตกอ e กไปหรือกไปจากจิจากใจที่ปวนี่คือการทาขอวัดคินเทียบนอกเทียบในสำหรับสำนักใจของตัวเ็น่มืทาเชื่อทางเสียอะไรควรตีมีสติมีปัญญากัญจาดรักษาเรที่ปฏิบัติอยู่ทุกการทุกเวลาควรนั่งแหละ ชื่อคือมีความเพียนคือเป็นตาาเถากิเลสสิ่งดที่เป็นกิเลสปัหาในนาทิสสิ่งที่ไม่ดีจะทำทษททุกข์ในเสดสิ่่ตัวลอนนาทิ่างใส่ตอที่นิสิตนารรมะมันออกไปเสียหต่หามันคล่องใส่มัน แต่ันเย็นเพราะความสะอาดเลยเป็นของซ้ำๆหรือว่าางน่ลกว่าสะอาด่อเลยกลกกอะไรอย่างนี้ใคต่างกันจเลยเสื้อผาหรือกปุกอะไอยนี้ชอบจะเล่นจะพูดกัน แต่ตีเี้ยวหก็กระบก็นื่อยน่อยู่ในอยอาศัยเหนื่อยหน่อยหน่อยหนน่อนะครับขอดห่าก็กระปบถึงไม่มีโรคภัยภยเลยมันอยู่ระบียดจได้ไได้พอมันกระปกรบอย่เอยู่ก็ไม่เป้นปุกจะอง่ดไม่เป้นุกผมเกระปบมา จะโปร่งๆแต่ทํานเยอสันแต่นั่นขันจริงแต่ว่าแหนควนมสะาดเดี๋ยวสะอาแล้วเป็นที่ชอบใจของพกคนไตคนที่เกลียดแหน่ในตลาดแหน่จะทําขอวัดตีแบบใช่ไหมะที่พักที่อาศัยแเวๆนี้ก็ต้องตั้งพักตั้งอยู่ที่สะอา่ี่โปร่งๆนอกจกนี้ยิ่ง อยนั้จนจะดูเหมือนใจที่กะปกป้องก็ทำงานเดียวกันเหมือนที่นี่ผู้ใงามสละนั้นเมื่อมสะอามันจะม่เห็นสิ่งต่างๆชัดเจนตามเป็นจริงแต่เมื่อสะามมันจะน่าอาบหน้าอะไรตกใจแล้วก็ไม่เห็น มองเห็นเอเป็นพเป็นไข้ไปที่ลยูไปหนักดังอะไรก็เราก็มองเห็นทางนั้นสะอาดเป็นมองเห็นเสื้อผ้าสะอาดก็เลยนึ่งแ่คนมันจะสะอาดได้ก็อาไสตกขอเป็นสูตพิเป็นสบดูแลรักษามันจึงจะสะอาด มันจะมันสะอานจ๊เดินคล่องนะเพราะตีนคือยกค่องกับเรื่องทางนอกก็ดีทางในก็ดีเัน้ยอยู่ทุกระยะเวลาเราจะยืนจะเดินจะน่รจะนเกิดขึ้นมันเลี้ยงขึ้น้นด้านจิตใจขึ้นด้านที่ดูที่อาศัยกันนี้เองัน เป็ยนเราออกมันตืนะตกนะเราเห็นว่าเาหนาก่อนได้ไหมนหล่นันหลุดลงมาทั้งทีเราตัดจาดเรื่อยๆมันจะมีโซกโปเรี่ยงเขีนั้นัเลยมีขอวัดเป็นประจำสำหรับทำความสะอลดแต่ว่าภายโลกเราก็พ้องรู้จักกัน เรเียทําอย่างไรเกี่ยวกับความสะอาดแข็งทันอยู่ที่อาศัยหายใจน้จุกจุกเทาน่ก็ชอบจุกจุกไปตาคือคนมอนเห็นสิ่งต่าต่างแต่ไมจุกจุกเลาไอยากทำนะครับที่เราเป็ทําองเดไปวัาใจสะอาดแข็งขินได้ดีเลยเหมาะสม เรื่องจัดสิ่งนั่นออกไปเพื่อความสะอาดมาดูสบายตาใจจิตสบายในจิตในใจเพราะที่อยู่ที่อาศัยไมพระอาดจะไม่คอยละกของเล็กปฏิบัติไม่บวกไ่จริงเล้วม่เป็นเานักเวรเจ็บกูดีแล้ว ใจคือีข้อแต่เฉพาะวัดเนี่ยคือคืออยู่ที่อาศัยก่วนวัดเลยคือด่านจิตใจนั้นมันยุ่งลินยิ่งโกๆนีเราจะดีเลยดุ่งนลยเอตั้งาอาเนี่ยมันก็เนี่ยดข้อจะมีตันแทงใหญ่โตขนาดไหน จะมีแสล้วเรืองสนามแล้วเอารมณ์ปัญญาที่ยวกับตำแหน่งไหวาไห่ได้จิตสูงใจใช่ะแต่ไม่ทำเกี่ยวกับความรักมีสติมีปัญญาดูรักษาต้งวางเอาไว้ทำให้ใจสะอาดใจทีะอาดเป็นสุดพักผ่อน เดี๋ยววิเวทตังหยจะดูดเอาแทนที่ใดมันุกมนสบายความมนสะอาดันจะอาได้ถึงสองคนั้งเด้วยว่ต่เดตังยงดี๋ยวจทาความเพียงของตัวมันจอยูดวิเวทตัแหมันจะจไปมอความสะอาดมันจะเกิดขึ้นให้อย่างกานรักให้เราเราโดยการขวา ใช่แล้ววันช้างวันแถนั้นมันก็เหมือนจำใ่าีอยู่ในนั้นเป็นวัดเตจผีไปใงตัวต้ราลยงาเลยได้จากที่ไหนเลไจากใจของพาะเลิัตั้งหน้าตั้งตาตัดรักษขาดไข้ เพียงหลังนีก็ทำความสะอาดเลยได้ในหัวใจมเนจะสะอาดอย่างไรเขาบก็จะต้องดีมีทธาคือมีสติปัญญาเกลยเนั้นในสมัยพุทธกาลพระสาริบุตรถึงจะกอบความเพียรภาวุโรสมาบัตกความจะภรวุโธสนาบัติไม่ได้แตกกว่รวิโรธสมาบัต เป็นจิตสำคัญเป็นธรรมเพียงเป็นทรมเป็นสิ่เราทั้งโดยถอใจกันพอเป็นคําที่ละเอียดพาาระอรหันออาหารืพอพระนาถาเท่านด้จะเข้าได้พอเป็นจิตที่ละเอียดในมีสัญญาอ า, ารมณ์เรียนอนาอะไร จ, ะจิตจะไปรบกวนใจ ที่เป็นนิโรธสมาบัติเกียร น, น, นั่นท่านจึเลื่อนรีดได้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนมีการหูหงุดเหนื่อยเหนื่อยเจ็บปวดของนรธสมาบัตินั้นเรื่อเรื่อยขี่ขี่จะปฏิบัตอยากจะเ ข, าข้ากันเข้าได้แต่จะคลของแน่คล้องทำไมนะ เป็นของลเอียดภาต้ข้าหลวงสนาบัตนั้นตัวนีทจะทำเสเสท่านและคนอื่นเสียหา่อื่นเสียหาออกมาจากข้าหลวงสนาบัตรโจทย์ใครข้อคนนั้นจะได้อิสุสปัจจุบันทำต่างเจ็นเขาไ่ทานกานาอะไรเขาคนนั้นจะได้อิสุสไม้ปัจบันนั้น กอรทำบาดแลเจ้าของอานุธของ๋ร้ป้าทหารระไขวเรลวกสมเบัตอย่างหนุ่ย็นอย่างไรตำบตำาถึงทนไขว่หลวเด็นบัตคือปฏิบัติละเอียดต่อนขนาดนั้นริภาษจัดลานก่อนจัดขบพระพทเจ้าจึงเสด็จนเหยียด ทำนโดยพระบาทเขาท่านไปเร็วอยู <São> <ukt ans. S 1> ่ท okay, ี่สายด่วนไทยรัฐธนบัตอยู่พอออกจากิโรธเมื่อเดวันแล้วนายเห็นรยรบาพระเจ้ลเจ้าหดลงไปกว่าพระเจาเ่เาขาขอวัดตัดกก่อจะายนิโรธธนาัต พุทธกาลผลิตในแสดงรายข้อบัญญัต่พระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลขอวัดปฏิบัตินิหน่อยเล็กน้อยผันืจะเหื่อเมื่อยเาทำทุกสิ่งทย่าทั้งโลกอยนี้อะไรตั้งหนึ่อันั้นเราได้ทอันนี้เราได้ทำในไดทผ หนึ่งเลาไวันหนึ่งที่ผ่านไปเราจะมีความปลุกใจถ้าเราได้ทำยิ่งได้ทำแม่อไดรจะมีใจยิ่ยั่งยามใสมนพ่งอที่นีอาจมีทำในใจเป็นอย่างนั้นตรงกันแค่กับคนที่แม่เล่กับคนที่มีสิเดียร์หนปัญญาใหญ่ไม่ยากจะทำอะไรคอยแอสแฝงคนอื่นเข้าไป ก็ทำก็ทำายเเสียเงิได้นีเหลยทำเลยเขาทำเห่เพื่อดีแล้วมัเป็นอย่างนั่นจิใจขอเราทำอยู่นี้ี่เรื่องปัญหาอยากหาไม่ต้องคิดไปนิเราจะทำอันนั้ทอนี้เถอะคดให้จิตใจเย็นๆมันสบายนตหน่งนินทาตัวเราขาดข้อรักเปลี่ยนไม่เลี่ยนนี้ นั่นเรด็กิดมีแต่ชิดจะเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นแต่เราไม่ได้ทำเอาลัดเขาทำให้วันนี้นะเราไปเปรียบขวางกับตองเง้นเอาห้ราะตองเงิเห็นว่าอยู่สบายเราไปิดแบบนั่นนั่นหละพระอุปนิสัยอันมีธรรมจริงจังธรรมนิยมอยากทําือว่าการทำนั้นในการความสุขเพื่อแกท่านมีธทรแล้ว ดูขวาร่างตัวไมมีอะไรที่จะเฉาใจเสียจะตกเจริญไปจิตใจมันเยินมันสงบมันสบายตั้งแต่ทางนอกลงไปจนไปถึงทางในขวารจิตใจทำๆหนักใจนั้ตานหนักตัเดินผเราเราหนั่งเเดินขนัดหนตลอดทุกอลกสารละละจิตผูเรา แต่เช้าดังทนเราคิดเป็นอะไรคือเป็นไทยเฉวเสียนอกจะากหัวใจเปนตันหนึงทางมีไหม่ายมีความเจ็บหลาแปลไว้แต่ตามคิดปงนี้นนเป็นไทยเลดีผูตันหนึ่นงแต่การคิดเป็นคแก่ไขขัดไล เก่ยวกความช่อของใจคิเีเดเกของใจคิดตึงไป็ไน่าไหรก็ยิ่งทำจิดใจละเดียดร้อนเกิดเพลิพนไปลืมหลวอหนาละวิปปิรักษาแท้มอง ว, อวออ่าพอเตขึ้นในจิตในใจต้อหักแท่อย่าไปคิดไปยิเกี่ยวเรี่กงอะรูี้ยึดเท่าไหร่ก็ไม่้เท่านี้ คทเ่ทเสียควรจะต้องเตือนเตียโททางอย่างนี้เ ต, seguinte, ต, seguinte, ตือนจิตขอทางอย่างนี้อย่าระลังรักษาตั้งเล็จรไปสิ่งใดที่เป็นอักเก็ตทำในจิตในใจแตทำาเพื่อสิ่งนี้เปเท่าอฟังเสียงของเตือ เบลที่เลกัเ่กลดความนิ่งความหลงในการดูการฟังเขาสวดเมื่อมันและออกไปเกี่ยวข้องกับแทงเชือกเตียงเต๋าอย่างนั้นจริททขี่นำพิษน้ำชัน้ำควันเต่าหม้อสกปรกเฉยเมยเมื่อ ตัวโคงตัวเราใส่ทางทำยังไงสะสายเป็นทางสู่นรกสู่ความเชื่อความเสียความปวดตุกทะเลาะเรามีสติสอนเตีวมีปัญญาสอนตัวมีเตียอยู่อย่างนั้นใจดีลบคิดออกไปอะไรเราทเชื่อเสียต่างปเราหักแห้ แดีมีประโยชน์เราคุกเจริญมาจิตใจมันจะไม่แ้น่มันจะได่รู้รินจหลาอย่างลพราะความตใจามเอางในตอนท่านันตอนชีวิตเป็นเหือนทุกวันทุกนเลยตอนนี้ดูีเ ใส่ใจสอนตัวเหานไหวินลยที่ทาต่าเอาไว้เป็นอย่างไรการจะทางทางวาผูกทางวาคาชิดทางใจพวกเราโตหรือไม่แผงในโตเมื่เสียหายที่ไหนตัวหยุดตับสินมันมนอย่างนี้จะเป็น สื่ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติโตได้สื่อปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีไม่ติดตรงดีทายใทายวาจทาใจดีทขวัญรั้หดีทั้งขวอรักใช่เลยดีทอารักสุดรักษาใจโตัวกินสือดีนเสียวันเสียแล้ว มันเป็นส yeah, yeah? so, so right? ิตใจโมยุสุยาะฐานิิตใจโม่าเหนือเป็นใจมย่าาะกายทครจะเป็นฐาครัพื่อได้เจ้าได้อย่างไรเราจะต้องสนใจเพ่อะไรอย่างนี้นอย่างนี้วันกินผ่านไปผ่านไปวันนี้หมดไปวันนี้หมดไปเดือนหนึ่แน่กว่าหมดไปปีหนึ่งแล้วก็หมดไปยังมีอะไรคุณรีความดี ดูไปกินใจขี้ใจเกี่จวเจ็บแรลอยู่อย่างนี้ทำแมเราจปตในใจไม่มีอะไรจิตเป็นก้อแข็งของปะคลาดของดีของวิสุทธิแบบนี้ตัวโพสเตียวตันหนุตัวโพสตัยวอีแต่เสือตาที่เจอานนี้ตาเลย่อยทำแม่เาในจิตอ่านอะไร อยู่ไปเราสาเสนอเป็นตาฝากเขาถือหลักพระแต่พระตามเขาไปแต่จิตใจเป็นพระหรือไม่แต่เศษหรือไม่ไม่เลยเต๋อตาที่ใหญ่แน่ดูใจเขาตัวหลันั้นนั้นจะอยู่ไปได้แต่ไม่สะดวกไม่สบายไม่เลยมีอะไรที่แตกต่ากับสัต์ ที่อยู่ใ น, นใ้าใจของเร า, ม, ม, า, เรามีอัฐมีธรรมายใจขอเรามีอมีธรรมมีเตจตังาที่วาชื่ น, นเราตึงกับแกแต่เราเป็นคนเป็นแทะแต น, นที่เราคาแทะที่ยจตระเสรลอกจากปรเสริฐใทางู ทางสปัญญาเนี่ยิชาริมุตซ่มีได้จิตไมใจก็เป็นเสดอีกพอเราเห็นเราเปลี่ยนไรารู้มีความสุขความกระบาความผูกความเย็นในเป็นตึ้งกับรูจเสียงสิ่งลดลเบลดสัมแลส อยู่สถาือได้สุขสงบภายในใจในทิศดวงิเกี่ยวจะเลื้ยงใรลนี่คือแท้นว่าป็นเสทั้งเพศตายีหืมีจะเหนืีนมีตายใจหงืดื สือว่าเนี่ยยินดีนยเดเชมีเย็นชมอบั้งใจงเทองเสียเหลังเดือนลนาดนีเด็กชิดาหไปดูสเสร็นยาวกันแบดีเนเป็นพอตาแบนั้นมันมีจังเ่วลก แต่ตายเ้าพระเขาเนรของเสน่ห์ขาดูแบบจีบัดทำมีตายเนิ่นกันแต่ทนหักแห่เดี๋ยดูเดี่ยวยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เขาติดข้องอยากไปดูกันทั้ที่ตตายให้ถึงก็เลยบอกทำหักแห่เอาลว้เนรวกเขามาดูภายในคือดูกายดูใจคร่งตัว ดีเหื่อยได้ทั่วรูปที่พกเอาไปเร่นไปเรียนจะเป็นเรื่องและความรีเจนี้จะเป็นหนังตลกไป่ยิ่งนี้จะเป็นผักไผ่เดือนหนังกระดูกอะไรก็ต่างย่องเหล่านั้นไม่เข้าไปแตะกายอันนี้พขาไปทำกนอย่างไรดีในตาอันนี้อย่าตายอันนี้มันคงส่มทรมเลยแม้มีงินเี่ยนถลายใแบบไหน ทำไมไปหลงไหลตายอันน right right right right right ี้เหรมันดีมันเหรอมันเผยเนี่ยจิตนอกธย่างนั้นอย่างนี้ปกติไม่เคยหล้เลยนะแต่ไปดูภายนอกแล้ว่อไปดูภายนอกแล้วปกติอีกบางอีกบางอาจบางธรรมในหัเห็นความเป็นจริงข้างในทันทียกเข้ามาดูภายลนดูใจดูใจเท่าตัว มีเที่ยงทำปฏิบัติทำหมือแต่เอนด้เรียกโดยติ um ้เขาทเ่าังกลั่มต่างๆเขาเชื่อเป็นของดีของดีจ้างลยเสียเงินเยอะท่องขนาดไหแต่ยินรีจ้างาเวหลับนอนก่ินดีฟัทแต่วราถปฏิบัติเป็นภาพเป็นเลน เป็นแมบีบนึงแผ่นหักแห้งแต่ฟังเสียงทยเลยคือฟังเสียงจากใจทังตัวมันลงอยู่ในเสียงถมันบยกมันบอกอยู่นี่ไทเนี่ยปกติมันก็หลงอยู่ในใจใจหลงตามเป็นจิเมื่อไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ใไปกันอล่างในนี้ทางือจะควบคุมรักษาจิตใจตัวตัวได้แต่นั่นคือนจริตเรยเกี่ยวกัเสียงเหล่านี้เพาเสียงนั้นถ้าเราที่ใจในการยีงจังนันก็มีทรรนียเดียวกันกับรู้ตัเกิดขึ้นตั้งอยู่ประดับไปยิงเสียงยิงดับ่เรืของรูแต่ตั้งาความหมายของใจ อุตส่าหทความยึดคุ้มใจถึสิ่งนั้นทนไปนันตวิึอา้นั่นเรียวรู้งใจิตใจเกิดความกำลังเกิดแสงน่อมลวกันหลองเ่เสียงคนถืลใมีตสิปันยาอยู่มีอธรรมะมันเี่เหลี่ยวอยู่เรื่อยไปอยู่ทได้นมือถ่อยจะเกิดิเดตะแห่แหลมแห่มพอไต่อไปหุน รูปเหนเสียงเสียงเรี่ยว เ, เ, เ, เ, เหยื่วยุเยื่วราคาไปเห่ถังนั้นั่นแต่ก้าวขึ้นทัาทีถ้าไม่มีแต่ติมไม่มีปัญญามาามีทแม่ข่มเอาแล้หยุดใจจะเล่นไหลทาให้เสือเชื่อเสี ย, ย, สยไปทำให้ใจาดัใจหักแห้ไม่เห็นดีให้ฟัง ในตัวนั้นไฟดูอักขันที่ี้อยู่ในใจในใจของตัวเพราะดูความมาเลยวกอกความมาภายในแล้วมันทั้งนีที่จะตัดขาดจากอารมณ์ถอเปรียเป็นอย่างไรแถาใจเป็นเตียวชัดเจนดูนนี้อยู่ทุกการทุกเวลาเสียงคนนีอยู่ทุกการทุกเวลา เกิดแล้วควรแต่ฟังให้ใส่หัดอย่างนึ่ไมมีอะไรที่จะเชั่อไขอดีตที่ผ่านมาอะไรครบยังไมถึงนันเหมือนปัจจุบันถ่ายรปัจจุบันก็องถ่ปไนี่อะไรครบถ่ายรปัจจุบันต้องถ่ยรูถอดไปหมดทัเห่ยทพาปัจจุบัน นั่นรู้นี่คือการปฏิบัติการจัดหับไล่าเคลื่อนสายเลไส่ทางตามเนื้อผิวหลักเสด็จตัณหตอนที่ยังในพม่าไทยในทันจิตทันใจเหรอรู้ใจเยนใจสงบอย่าไปตีนเต้นลุ้นลอยห่อคืบเมติทากับสิ่อื่น หายหลุดหยุอยหยไรเมนอเมอหไรควาเศ้าหมอควาคขุณมือความเดือดร้อนข้าใจจะเกิดขึ้นขนาดถังจึงหายขนาดมาปฏิบัติมาทำไมฮะมารักษาจิตใจเพื่อไม่ใช่มาปฏิบัติถังจึงถ่างสุดตาตายเขย่าเพลินเยื ที ài, ือดตันหาเอาไว้เพื่อจะให้นตนะานีตัวเองเรไ่ด้บวแบบนั้นร่ปฏิบัติแบบนั้นเราปฏิบัติเพื่อตันจันเฉี่วเสียทาายทางวาจาใจเหตตกออกไปมีปัญญาตงละใจทงตัว เดี่ยวของเยอะจิตยสิ่งต่างๆอนตแต่เฮรังยาสิ่งเหลนี้หนุนคือการปฏิบัติใจหนุนคืการปฏิบัติใจหนุนคือการเรียนหุ้นนอกเลยมีสิ่งเพิ่มเติมพระบรมรักษาพระฤาษีรักเหวงตาอดยากนมีหนุนี้หงมในมีที่อยู่ที่อาศัยถ้าหาปฏิบ กายใจใจของตัตอนทำแมพเขพูดเจ้าเจงสอแล้วโดยมีตอนอดอยาเจีนดยจะท้นที่ได้ตัวมีคนมาเลี่ยงใสสัจหาสัจจตรทำมืห้รักขจิตมจารีทารักษาผู้กระพทธธรรมแต่ผู้โดระพฤติธรรมนั้นจะอยู่ในรับนวาอยู่ตในเดาขนาดไหนตนตาณใจกระพุทปฏิบัติตอนอดทำเหควานี้ที่ ใช้จิตทางใจหนไอยค่ะหาคำน้อะไรหนึ่งตัวเครื่อกตัวต่อตันหนึ่งตัวเครื่องตัวเราจะให้คนอื่นเขาเรียนใส่วิเยนชมชอบอย่างไรเราจะฟองสอนใจดูแลใจทั้งตัวประบัติปฏิบัติตัวเครืองตัวแต่ถูกต้องการทาสอนของพระพุทธเจ้าในอย่างนั้นการเรียนของเราก็จะเป็นเหมือนหาคุณข่าวสารอะไรหนึ่งได เป็นเปษในเเด้อยาเพิงเขากินไปจะมีอะไรที่จะเป็นอัปเป็นธรรมศีลมีอยู่ในตําบลตําลากีาธิจะมีอยู่ในตําบลตําลากัญญาวิชาวิมุตติมีอยู่ในที่อื่มีอยู่ในจิตใจทั้งตัวจะมีอยู่ในตัวตัวก่อนสุกในสมองในเย็น ในสงบเหมือนกรรจับอาหารเราอยู่ในถ้วยในตเป็นอยู่ในท่อในไตเพื่อเรามีเ้ำหนักเท่ไรความหิวหยความตายเป็นตัวหิวห่อย่างนี้ทางเหง้าเอาเรามารับทานแต่อาหารโลกเขาอยู่ในกายของเราความหิวห่อย่างนั้นมันจะตะวนออกไปหดออกไปนี่ ทำได้ในยคุณผันแม่สอนอาไว้ศีลจะมาที่ตญญาวิชาเยแก่ให้นั่นพขามันอยู่ในตายในรายจในใจของเรายา้มันอยู่ตามเป็นับบตำยามันจะได้มีคุณค่ายีเดีปแหาคอณผันบอกเห่้าเหอนโกดิบธรรมาแสงัปก็ยีเดียเปแห่มันอยู่ในในใจในดจอยู่ตามทำทีตำยา คนีายั้นไม่มีอที่จะไปในโลกหลังไปวิพาคนถ่นั้นผู้ปฏิบัติถ่อนั้นผู้ทำถ่อนั้นที่จะได้ไปชั่วไปดีแต่เราผูกมาบวชก็ไ่บวชเพื่อเ่นไห้ไบวชเพื่อรักษาไม่บวชเพื่อปฏิบัติแตวันหนึ่งเพื่อนหนึ่งความปฏิบัติของเราไม่ตน่อหร่หลังอย่าง ต้องจะทำนะมีความเหน่อยใจไว้ไหมแต่เราถูกต้องในอดในทำทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วตั้งตัวตังที่จะนำตัวเองนี่คือนักเดือดที่จะดูได้ว่าตังอ้าศัยการลิกการซิดการแนะการสอการพยายามรักษา โดยอย่างนั้นก็เลยเกิดท้องขยวดอะไรให้เบียาในเลือดสาจะเลยจะเลยเกิดคุณค่าเนืาอรายลายใจใจกิเลสตัณหาอะไรจะเ่ยตดเวนออกไปเพระเัณหาเลยผักเพียนเลยพาดนาเลยกันกบกิเลสตัณหาเบียด ก็าจะบวชให้นั้นบวชแบบนี้20ปี50ปีนั้นก็ะเกิคุณงามทวาดีอะไรให้ฉะนั้นเรายทุกท่านทีดท้องคนลดหนึ่งหนอยเวลาเป็นแม่ปฏิบัติกดซิงสอนตัวและอายตัวหน่วจะทำจะพูดจะคิดเรี่ยงชั่วอย่าไปพูดไปคิดไปทำนอกจากตัวของเราจะเสีย ยังจะทำเลอดพี่อาจารย์เสีหายไปด้วยทำให้ห่ากระเน้อหยับยั่งเห็นไหมบ๊อบเลศกปฏิบัติจะนำตัวควบตัวออกจากเชือกไปสู่ขีดจะริมเริ่มสากระเนอกี่เสียมเป็นโยกไปจากใจรายใจใจให้จะเริ่ขึ้น คนอืนทางนอกแทงเราแบบปฏิบัติถูกต่องดีงานเราตังหนึ่งตัวขงเราได้เขาจะไม่มีแทงต้นเราเลี่ยไสายตัวของเราเพราะการปฏิบัติขอรักเพิ่มอย่างนอืแต่ถ้งจิตใจสงบสุขเท่านั้นเขาจะเลี่ยนสายสัทเขาเแสวงหาความสุขเหมือนกันแต่เ้นขอเปลยนเราทุกทาน ใจเงินที่นิพิยานะเล่นธรรมะสติปัญญาในแนสอนตัว้อตี้เหนือกคนไหลระดับรับฟังทาเสียทีบายนะจเินไปที่นิธิเจนาคุกษาไละาเนต่างๆเผปฏิบัติต่อใจนั่นใจจะมีความสุขความเจเินการอีบายธรเมะหยุดหาพอจนจบเวลาไว้วิิเพื่อเเวลา